ฟังธรรมกันการฟังธรรมก็คือการฟังเรื่องของเรานี่ยแหละเรื่องของเราผมก็เป็นสูตรตันเดียวฉะั้นก็พูดกับทุกท่านพูดกับทุกคนเพราะว่ามันเป็นสูตรตันเดียวถ้าพูดเราก็ถูกทุกท่าน โดยเฉพาะเวลานี้พวกเรามาเจริญสติการเจริญสติมันก็มีสูตร <c oughs> ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจา้ามีสติเห็นกายเอากายมาสร้างสติเอากายมาเป็นวัสดุอุปกรณ์ผิดสติสติคือความรู้สึกความระลึกได้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 ตามหลักคําสอนว่ากายานุปัสสนากายานุปัสสนามีสติไปในกายไปในกายให้เห็นกายมันเป็นตัวเห็นตัวสัมผัสไม่มีคําถามเธอเห็นแล้วไม่มีคําถามเช่นเราเอามือวางไว้บนเขา่าเราก็เห็นว่ามือวางไว้บนเขา่ารู้เห็นพบเห็น มันไม่ใช่คิดเห็นเหมือนกับความคิดการเรียนการสอนภาษาทางโลกมันเป็นการพบเห็นบะ ม, มือของเราวางอยู่บนเขาก็าไม่มีคำถามเป็นตัวพบเห็นเขารู้สึกยกมือตั้งมือข้อ ม, มือพลิกมือเคลื่อนไหวไปมาให้รู้ให้รู้รู้เห็น พบเหตุให้มันคุ้นเป็ดเคยในสติไปในกายเห็นกายทีแรกก็เห็นกายต่อไปก็เห็นกายในกายเห็นกายในกายอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายเห็นกายในกายถ้าเห็นกายเฉยๆเอาตาดู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 ไม่ใช่กายในกายกายในกายคือมัน e in เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายในกายมันเป็นกายสองกายไอถ้ามันสุขเป็นทุกข์เรื่องของกายแสดงว่าไม่เห็นกายเป็นตัวเป็นตนอยู่ในกายความร้อนความหนาวคือตนเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเรื่องของกายแต่ว่าถ้ามีสติไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเรื่องของกายมันเห็นกายในกาย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 ตกลงไปเราก็เห็นเราก็เห็นทำนัยก่อนได้เดินจงกรมทางเดินจงกรมไม่ต้องจุดตะเกียงสมัยเป็นหนุ่มเพราะเห็นเป็นทางอะไรมันขวางทางก็รู้ทันทีเป็นไส้เดือนเป็นงูเป็นมแมลงอะไรก็ตามใบหญ้าอะไรก็ตามที่มันโลดลงมา พอเราเห็นมันไม่ใช่ทางอันนั้นอันใดเป็นอันใดอันหนึง่งเป็นงูเราก็หลบแต่ไม่ใช่งูเราก็ข้ามไปได้เห็ <c oughs> นมีสติเห็ น, หนกายในกายกายหลอกไปได้เริ่มต้นได้คําตอบจากกายว่ากายสักว่ากายนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเออคนนี้เราไม่ฝึก กิจของเราัางกิจแล่นไปง่ายๆไปจุ่มไปติดตัวอะไรจากกายเป็นตัวเป็นตนตามกายเยอะแยะนะไปติดมันเป็นแล่นไปมีสิทธิ์เรื่องของกายไปถึงกิจเรื่องของกิจไปถึงกายที่จะทำให้ต่อให้แล่นไปกว้างใหญ่ไปสารเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโอปทานเป็นกิเลสตัณหาเป็นความชอบไม่ชอบ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 มันก็เห็นนะมันเห็นแบบนี้ <c oughs> เห็นกายในกายแล้วมันก็เห็นเวทนาที่มันโชว์เวทนามันโชมันโชทําให้เราหลงตรงนั้นด้วยเวทนาคือความสุขความทุกข์เพราะเก็บเพราะปวดเพราะเมื่อยเพราะอะไรเยอะแยะเรื่องของกายกันเรียกว่าเวทนาเวทนาคือมันเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายนั่งนา น, น, าน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 บหมนก็คนเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเวทนาบางทีเวทนานี่ทำให้เราติดเวทนาทำให้เราชอบทำให้เราไม่ชอบบางทีก็ไปชอบเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ไปซื่อไปหามาไปป้นไปกี้เอาเพื่อได้เวทนาบางทีก็ปฏิเสธ มันไม่ใช่เวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายกับจิตก็ดีมันเป็นโศกเป็นทุกข์เป็นเห็นแจ้งมันคือเวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตวต์บุคคลตวตนเราเขาสติเฉลยไปอย่างนี้ความรู้สึกคว่ามลึกได้ถ้ามีมากนะถ้ามีพลังของความรู้สึกความละลึกได้มันจะนจะข้ามล่วงมันลดมีกำลังมัน ขึ้นเขามันมีคุณภาพไ ม, ม่มันมีประสิทธิภาพชีวิตจิตใจของเราสร้างให้มันมีประสิทธิภาพคือความรู้สึกความระลึกได้มันเป็นประสิทธิภาพมันมีความแก่งแข็งแกร่งในะความแข็งแกร่งมีสมรรถนะความ ค่องตัวดนะีความรู้สึกความระลึกตายขนส่งไม่ให้ไปติดกับอะไรี่แต่ตัวลู้ตัวลู้สึกตัวลยปอดกิจมันก็โชว์ให้ใหเราเห็นมันคิดมันเล่นไปเล่นไปแต่ว่าอย่าทำใหม่ๆอย่าไปคุมกิจฝึกกายฝึก นี่ไปก่อนมีสติเห็นกายไปก่อนอย่าไปคุมจิตเมื่อเราฝึกกายมีสติปไปในกายแล้วเหมือนกันเราดัดดัดไม้ที่มันคดเห็นเขาไปตัดไม้ไผ่ที่เอามาทำให้มันตรงเขาก็โน้นโลนไฟเอาความร้อนโลนไปเมื่อไม้มันถูกความร้อนก็อ่อน เพียงดัดนิดเดียวมันก็ตกล ด, ดแล้วดัดอีกโลนไปแล้วโลนไปตัดไปดัดเบากว่ากตกอยูยูจะไปดัดเลยไปได้มมันมีวิธีมีวิธีที่จะต้องดัดเหมือนกับเขาดัดเหล็กเหมือนกันเขาทําให้ร้อนทําให้แรงคนตีมีดตีเหล็กอเขาก็ทําให้เหล็กมันออนเผาไฟการปฏิบัติธรรมคือการ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 อะไรนิดหน่อยมันก็เห็นปลาซิวปลาอ่าอีดปลหมัดตัวเล็กเล็กบอนมันก็เห็นหน้ามันนิ่งหน้ามันไม่นิ่งอ่ไม่ใจเจ้จาอะไรแค่ลอยโยมก็ไม่เห็นขึ้นในทะเลหน้ามันนิ่งเนี่ยก็ดูเห็นหมู่ปลาปลาอะไรต่างๆแล้วเขาก็มีเครื่องเลด้าที่สองอะ อสองหาอาศัยเครื่องมือแบบนั้นเออฝึกคีวิตจิตใจของเราเนี่ยก็เหมือนกันมันสามารถที่จะมองเห็นได้ถ้ามีสติสมัชัญญะมันจะเกิดอศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดญาณเกิดปัญญาอย่างลู่ได้เหมือนกันเรื่องของกายเนี่ยลู่หมดลูกครบลู่ท่วน อ, อันนี้มันเป็นแบบนี้ว่าแต่เราจเจริญสติสร้างสติไปก่อน ไป้รู้สึกกายไปก่อนเออเห็นกายดูกายก็เห็นจิตดูคิดก็เห็นธรรมดูปัญหาก็มีปัญญาดูทุกข์ก็เห็นไม่ทุกข์ไปทันไปทันทีอ่ะเห็นจิตที่มันคิดไปรู้สึกตัวอไม่ต้องไปยุ่งกับมันอย่าไปห้ามมันบางทีเราไม่รู้ไปห้ามไม่อยากให้มันคิดอยากให้มันสงบบังคับลงไปหลับตาลงไปบริกรรมลงไปไม่เอาหอัวโละความคิดได้เลยเอา้าวมันมาอิสระ มันเกิดขึ้นเรารู้สึกตัวกับว่าตั้งไว้ที่กายไห่แยแสกับมันความคิดมันจะแล่นไปทั้งไหนมันเ่งนะเวลาเราปฏิบัติเจริญสติปรากฏว่ามันแสงหน้าแซงหลังความคิดเนี่ยอย่าไปกลัวมันอย่าไปมีปัญหาเพราะความคิดคิดจิตก็สักวัยจิตอ่ะไม่ใช่มีตนอยู่ในความคิดกูคิดกูไม่คิดกูสงบกูไม่สงบอย่าไป อย่าไปให้มีความรู้สึกแบบนั้นอ่ามันจะคิดเราก็รู้สึกวันดีแต่มันไม่คิดเราไม่เห็นคิดมันที่มันคิดมันแสดงให้เราเห็นแต่มันไม่แสดงให้เราเห็นเราก็ไม่รู้อ่ต้องให้เขาแสดงให้เขาเคลื่อนไหวจังจะรู้มันมันก็เราไปหาปลาหานกหาสัตว์ที่มัน อยู่ในป่าถ้ามันไม่แสดงเราไม่เห็นมันหรอกเป็นเลงเนี่ยว่ามันขึ้นต้นไมน้ถ้ามันไม่แสดงเคลื่อนไหวเราไม่เห็นมันมันไปนั่งอยู่ตรงไหนเห็นสมัยหนึ่งไป <c oughs> อยู่สวนโมกขยาเป็นเป็นข้างข้างเยอะสมัยก่อนเวลามันออกมาเล่นก็นมาเล่นเวลามันเป็นนอ น, น่ะ ขึ้นไปต้นไม้ใกล้ใก้กระเต๋หาอย่างไรก็ไม่เห็นอองหาไม่เห็นเลยไม่ใช่ตัวเดียวข้างตรงหลายหลายตัวขึ้นไปต้นไม้ต้นเดียวมองไม่เห็นมันไม่เคลื่อนไม่ไหวพอมันเคลื่อนมันไหวเราจึงค่อยเห็นมันจึงรู้ว่าโอ้มันอยู่ตรงนี้ความคิดอะไรก็ตามที่มันแสดงกายก็ตามจิตก็ตามที่เขาแสดงออกทำให้เรามีสติไม่ใช่เป็นปัญหา อย่าไปมองเป็นปัญหาน ะ, ะความปวดความมย่ยความร้อนความหนาวโยงกัดความโม่งเหงาหนอนความคิดลังเลสงสัยไม่ใช่ปัญหามันจะเป็นปัญญาเพราะมันแสดงให้เราเห็นหัวเราะไปเลยยิ้มไ้ยิ้มรับไปเลยโอ้มนคิดเนาะหัวเราะความคิดตัวเองบ่าเอ้ยนี่เรานั่งอยู่นี่มันคิดไปโน่นมันแล่นไปโน่น เขาเห็นมันไม่ใช่ตัวใช่ตนันความคิดมันเป็นจิตที่มันคิดมันไม่ใช่ตัวใช่ตนมีสติเห็นเป็นคําตอบอันเดียวกันตั้งแต่เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นทําก็เหมือนกันความง่วงเหงาหอนอนอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับจิตจิตมันก็เป็นอารมณ์อารมณ์ไม่ใช่จิตมันมันมันแสดงออกทางอารมณ์ อารมณ์มันไม่ใช่กิจกิตก็ไม่ใช่อารมณ์เป็นศักแต่ว่ากิจบางทีเราไปเอาสุขก็ทุกข์พราะกิจต่างกันแต่เอาโกรธเอาโลภเอาหลงไปเอาลักเอาชังเพรกิตอ่ามันหอบพิวเราไปความคิดเนี่ยเราก็เลยถูกเป็นขี้ข้าของความคิดมันคิดโกรธโกรธมันคิดแล้วก็รักมันคิดชังก็ชั ง, ชงมันคิดสุขก็ฉกมันคิดทุกข์ก็ทุกข์เกิดจากกิจเป็นสุขเป็นทุกข์ โอ้ถูกหลอกก่อนานทั้งสามสิบปีอ่ามันใหญ่ไปดันหรือยิ่งพอมีสตินี่สติรู้สึกตัวทันทีรู้สึกตัวทันทีไม่ถูกกิตหอบพิวไปไง่ายๆ่รู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่รู้ยังไงเราเคลื่อนไหวอยู่นี่พลิกมือเอามือเคาะงอเข่าทันทีพอมันคิด้นมารู้สึกตัวกลับมกลับมากลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวปฏิบัติก็คือกลับมา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 ถ้าไม่รู้จักกลับมาไปกับมันเลยเนะไม่เก่งเนะี่ยยิ่งอ่อนแอไปเลยอย่างไงอย่างไงก็กลับมาการกลับมาลูกกลับมาลูกแล้ววิธีที่เราทำในมันออ้ยเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์แบบของยากเป็นของง่ายของหนักเป็นของเบาเพราะว่ามันกลับมาได้เก่งๆมือก็มีพลิกมือเข่อนไหวมือเนี่ยกลับมาเก้ยวเลยเนาะมันมีสิ่งที่ช่วยเราอยู่ เรียกว่าวิธีรูปแบบพระพุทธเจ้าเรียกว่าบัพพะสัมปชัญญะบัพพะกายบัพพะบัพพะคือมันเคลื่อนมันไหวสามารถที่จะลู้ได้ไม่ให้มันเคลื่อนไว้ฟรีๆเกตนาะใส่ใจเพิ่มความรู้สึกเข้าไปเพิ่มความรู้สึกเข้าไปโอ้เราน่เหมือนมีเครื่องมือเครื่องทุ่นแรง แรงร่วมแนวร่วมของทำให้เกิดพลังเยอะแยะเลยความรู้สึกตัวเหมือนกับลดมีแรงหลายแรงอย่างเขาบอกขุดสะวัดป่าสุขโตลดสองร้อยกว่าแรงขนหินขนดินเหนียวเหนียวดินหล่มหลมดันขึ้นไปรถบางขันไม่ถึงสองร้อยกว่าแรงดันไม่ไหว ต้องใส่น้อยๆใส่ดินน้อยๆปีนประนั่นก็ไม่ไหวต้องเอาไปติดเอาแมกโคต์เอผักก้นเข้าไปดึงเข้าไปมันไม่มีแรงอันนี้การปฏิบัติธรรมของเรานะอาศัยตัวเราไม่ต้องไปเรียกล่องใครมาช่วยฉันคิดช่วยฉันด้วยหลวงพ่อฉันโกรธช่วยฉันด้วยฉันทุกข์ช่วยฉันด้วยไม่มีเลยคําพูดแบบนี้ความคิดแบบนี้ใช่ไม่ได้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 โอ้ใดไม่มีสติโอ้ใดไม่มีสตินะ่ะก็อยู่กับเรามันอยู่กับเรามันอยู่กับการกระทําไม่ใช่เรื่องอ้อนบอนอารปฏิบัติทำการบรรลุธรรมไม่ใช่เรื่องอ้อนบอนแม้แต่บุญกุศลมกผลในพรานไม่ใช่เรื่องอ้อนวอนเด็ดขาดถา้ามัวแต่ไปอ้อนบอนอยู่เนี่ยกี่ภพกี่ชาติก็ไม่ถึงมรรคถึงผลต้องมีการกระทํากรรมนี่มันจะจําแนกไปเองกรรมจาแนกไปพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรม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 โมหลวงพ่อโมพระสงฆ์เป็นแต่เพื่อนเป็นกันระยาน้ำมิตรช่วยท่านไม่ได้ท่านทุกข์เราก็ช่วยท่านไม่ได้ท่านสุขเราก็ไม่มีผลกับท่านด้วยทุกข์ก็ท่านเองสุขก็ท่านเองตัวใครตัวมันเราจะเป็นกันระยานามิตรที่ดีกันระยะน้ำมิดเนี่ยไม่ใช่เรื่องเด็กน้อยนะพอถึงมรรคถึงผลได้เหมือนกันเนี่ยบอกอยู่นี่สอนอยู่นี่ไม่ใช่ไม่ได้บอกได้สอนเราก็พอท า, าอยู่นี่การส่งเสนจารบรรเทศจาน อะไรต่างๆอยู่นี่ช่วยกันพระบางรูปมาเตะข้องตีบอกเวลาชวนกันมาปฏิบัติธรรมทาให้ดูร่วมกันอยู่นี้่าเนี่ยทําให้ดูอยู่ให้เห็นพูดให้ฟังนี่คือกันระยะนานมิตรอ่เราต้องทําเราต้องปึกตรงหัดหอบ ง, ง, งเอหอนอนมู่นั่นอ่ะเราเรียกว่าธรรมมันสิ่ง ม, มันเป็นสิ่งที่ว่าครอบม่อมครอบม่อมชีวิตจิตใจเยอะแยะ เรามาเปิดปลลื้ออกแต่ก่อนมันปิดเรามาเปิดแต่ก่อนมันคว่ำเรามาหายขึ้นให้มันเห็นเปิดกายเห็นกายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นเวทนาเปิดออกแล้วเวทนา น, นี่โอ้อยแต่ก่อนเราเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเวทนาบัด น, นี้มันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเปิดออกแล้วหลอกไปได้จิตก็เหมือนกันสักว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา แต่คนที่หลงกับความจิตมากมายมันเป็นสายบังเหียนทุกเราทื่นเราอันเดียวเกิดสุขเกิดทุกข์ชอบไม่ชอบอ่ะมันแต่นั่นอ่ะมันป้อนปินหลอกลวงมดเท็จที่สุดอันจิตเที่ยงไม่ฝึกเน่ยอ่ะข่มร่ายคมดีผู้ผูแฟดแฝดมีจิตก็เพิ่งจิตไม่ได้ไม่มั่นใจที่สุดคือจิตไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเกี่ยวกับจิต มันเป็นไม่ได้อย่างนั้นมันเป็นไม่ได้เด็ดขาดออกมาดูออกมาดูมามีสติมาดูมอยเห็นมันมอเห็นมั น, ม, น, ม, นมันจะได้บรรลุธรรมตรงนห้ล่ะได้บรรลุธรรมตรงที่กายได้บรรลุธรรมที่ตรงเวทนาได้บรบรลุธรรมที่กิตได้บรรลุธรรมที่ธรรมมันเป็นเอามามันเป็นวัดสดุมันเป็นที่เกิดสติปัญญาแต่กนหลงงูเป็นสศกเป็นทุกข์ประกาย แต่ก่อนโล่งอู้เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเวทนาแต่ก่อนโล่งอู้เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความคิดแต่ก่อนโล่งอู้เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะธรรมวันนี้เรามามีปัญญาเพราะกายมีปัญญาเพราะเวทนามีปัญญาเพราะกิดมีปัญญาเพราะธรรมเปลี่ยนมาเป็นปัญญาปัญหามาเป็นปัญญาปัญญามาเกิดอย่างนี้นะความรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญา ปัญญาไม่ใช่ไปท่องไปจำเอาจำโ น, น่นได้เยอะจำพระสูตรได้เยอะพระไตรปิฎกแปดหมือนสี่พันเรื่องจำได้หม ด, หมดเหมือนพระโปโกจิละโปอะไรละ่ะจำอะไรวะโจิละหรือว่าชื่อของพระจำเนี่ยเป็นความจำจำได้หมดเลยพระไตรปิฎกข่มคู่คนอื่นไปที่ไหนยกขูชูตัว ฉัลุอ้อฉนหล่นฉันลุมาามน้มาถามฉันเสี่ยมาถามฉันไอที่ไหนพระสงฆ์หลบหลีกไม่มีใครกล้าสอนโอ้ยอาจารย์โกธีละจํำพระไตรปิฎกคําสอนพระเจ้าจําได้แม่นที่สุดเลยไปเฝ้าพระพุทธเจา้าเวลาไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพูดคําเดียวภิกษุไบลานเปล่ามาแล้วหรือโกธีลาก็อ๋อ พอกล่าวพระพุทธเจ้าจะกลับไปโปเชละใบาลานเก่าเป่ากลับไปแล้วเลยมีเหตุพราะฉะนั้นเอ๊เราทําไงนะไม่พระพุทธเจ้าก็ไม่สนรเสริญเลยเราจุดสาเรียนพระตไตรปยยิฎกจ้าได้แม่นที่จุดเลยทำไมว่าเราเป็นภิกษุใบาลานเปล่าอก็คิดก็อยากจะก็ไม่มีใครสรรเสริญมีแต่คนกลัวไปทางไหนมีแต่เพื่อนกลัว ตะโกเทระไปในเพื่อนหลบหลีกไปเลยกลัวคนมีปัญญามากสามารถที่ครอบครองคนอื่นก็เลยรู้ตัวเองว่าโอ้ใครก็ไม่สนเสริญเราจะไปหาใครเป็นอาจารย์เราในเป็นอาจารย์ของคนอยากมีอาจารย์อยากปฏิบัติธรรม <c oughs> นะก็ไปอยู่ในสำนักไปขอ ให้อาจารย์สอนเออาจารย์ก็บอกไปเขียนมาหาหลว ง, งพ่อหลวงพ่อก็บอกให้อาจารย์ไปหาองค์นี้ไปอาองค์นั่นไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปแต่อ่าอาจารย์นั่งอยู่เป็นแถวเนี่ไม่สอนเลยบอกไปองค์ต่ อ, อต่อไปออกแลต่อไปไปหาเนนองสุดท้ายน่ะเนนน้อยอ่อามันลดที่ตีมานะละหลวงพ่อไปหาเนนน้อย แน่น้อยสอนอผมด้วยจะให้ปฏิบัติยังไงแนน้อยก็คาลงไปสระนุน่นสุขโตก็ไม่สะลึกแต่นี่ไม่ไม่ลึกดอกน้ำยังไม่เต็มขุดใหม่จากหน้าดินลงไปทั้งสามเมตรนะน้ำที่มีอยู่มันทั้งสามเมตรนะแ <c oughs> น่น้อยก็บอกอาจารย์พอใจละลงไปในน้ำยานลงไปในน้านั่น ขาดสังขาติอยู่เนี่ยทำวัดอย่างนี้แหละเอาพาออกผ้าออกไหมไม่ อ, ออกออกบุงไปทั้งตัวเลยอาจารย์โพธิละก็ลงไปในน้ําน้ำเพียงเอวเอาไหมแค่เนี่ยไม่เอาลงไปอีกน้ำเพียงหน้าอ ก, อออก เ, อเอาไหมไม่เอาลงไปอีกน้ำเพียงคอเอาไหมแค่เนี่ยไม่เอาลงไปอีกน้าเพียงปากกู้อะไรบับบับบับบั บ, บน้อยก็ยอกขึ้นมาแสดงว่าโพธิละลดทิฏฐิมานะยอมแล้ววะนะ จำพระใจเปิดอกได้ยเกิดขึ้นมาทั้งผ้าทั้งเปียดไอ้น้อยก็บอกว่ามันมีจอมปลวกจอมหนึ่งมันมีรูอยู่หกรูมีเฮี้ยตัวหนึ่งเข้าไปในจอมปลวกนั้นจะอยากแกะได้เหี้ยตัวนั้นจะทำยังไงอาจารย์โกทิละก็ตอบได้ทันที <c oughs> ก็ได้บรรลุธรรมนล้วตอบยังไงโยม ตอบได้ไหมเราอืมี่เรามาตอบแล้วนะเยอะแยะเลยเราไม่ลูกไม่เมียไม่ได้ไม่ของไม่ความรักความชังเมตตาไม่หูจมูกเล่นกายใจเล่นงานตัวลูกเข้าไปลูกเข้าไปโอ้ก็ลูกศึกตัวมันก็ปิดเลยสํารวมเลยตาหูจมูกเล่นกายใจสํารวมลงมาสติอินทรียเราเป็ดเข้าไปหมดลูกศึกตัวลูกศึกตัวลูกศึกตัวตาก็ไม่ได้ใช่หรื ใช่ก็ไม่ได้แล่นไปไกลหูก็ไม่แล่นไปไกลกลับมาลูส่สจตตัวก็มาลูส่สจตตัวก็มาลูส่สจตตัวนี่โกทีละขุดเหี้ยได้แม้จอมปลวกมันจะมีตั้งหกรูมันสามารถที่จะออกได้ก็ต้องสมรวมรวู้สติอินทรีย์สติอินทรีย์แต่ก่อนตาหูจมูกลล่นมันเป็นใหญ่ ตามันก็เป็นใหญ่หูมันก็เป็นใหญ่จมูกมัก็เป็นใหญ่ลิ้นก็เป็นใหญ่กายก็เป็นใหญ่ใจก็เป็นใหญ่บัดนี้มามีสติเป็นใหญ่รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวนมาสร้างตัวนี้นะอย่าเอาสมองอย่าไปใช้ความคิดเหตุผลอย่าไปเอาความชอบไม่ชอบเอาทิ่ยงไปก่อนเอาการกระทําเสียก่อนเอาการกระทําเสียก่อนตัวใครตัวมันทํายังไงจึงจะรู้สึกตัวต่อเนื่องเพราว่าต่อเนื่องเน่ยเป็นโซ่เราไม่ใช่เหล็กเส้นนะ เป็นโซ่นะเป็นเปาะเป็นเปาะลู่หนึ่งมันก็อย่างมันเอามือเคาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเราพิกมือเนี่ยลูลู่ลูลูลูลู่ไม่ใช่ทําให้สวยให้งามอ่อนสอยไม่ใช่นะตัวลู่เป็นตัวเด่นถ้าพลิกมือไม่ลู่ไม่มีประโยชน์อะไรเดินจงกลมถ้าไม่ลู่ไม่มีประโยชน์อะไรต้องกลับมาลู่ให้ได้ใส่ใจให้ได้ เพิ่มความรู้สึกตัวสัมผัสกับความรู้สึกตัวกับกายความรู้สึกตัวกับจิตกับใจอะไรก็ตามใช้ความรู้สึกตัวใช้ความรู้สึกตัวเรามาหัดตรงนี้ถ้าไม่หัดมันไม่เป็นนะถ้าจะเอาความรู้มาโอ้ยจําได้แล้วละ่ะหลวงพ่อพูดเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอ้ยได้ของปลอมมาจำเอาได้ของปลอม อ, อย่างหลวงพ่อเทศเมื่อวานตอนเช้าอ่า อ, อ่านเออ่ไม่มีใครอัดเทพ บันทึกเทปไปได้บางคนเสียดายเสียดายเฮ้ยจะไปจำเอาเหรอไม่ได้ไม่ได้ลองรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวคำพูดที่หลวงพ่อพูดมันไม่ใช่ต่องเราเนี่ยก็มีบันทึกไปแล้วเป็นคอมพิวเตอร์แล้วเก็บไปแล้วโอ้หลวงพ่อบอกให้เพล็กมือรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเราก็ทําเป็นไม่มีใครทําให้เป็นสิบสี่จังหวะสิบสี่รู้ทุกคนทําเป็นรู้รู้รู้เลนะ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 พระพุทธเจ้าประกาศาศาสนาก็อาศัยสิ่งเหล่านี้มีผู้บอกมีผู้พูดมีผู้ฟังฟังแล้วนำไปปฏิบัติทำให้มันเปิดอยู่กับเราอันนี้นะตัวใครตัวมันน ะ, ะสร้างเอาสร้างเอ า, ร า, เ, อาเราดูตัวเราถ้ามีสติไม่มีความลับในตัวเราถ้าขาดสติมีความลับไปหลบนอนหลบไหนก็ได้บางทีอาจารย์เห็นไปหลบนอนไปสุบรีไม่ได้นะ คนสุโขทัยก็เป็นเรื่องของเราอายตัวเรารู้ตัวเราใครก็หลอกไม่ได้แต่เราหลอกตัวเรายิ่งหลอกไปได้แ้่คนอื่น อ, นอาจจะหลอกได้หลอกคนอื่นหลอกได้แต่หลอกตัวเองหลอกไม่ได้เพราะรู้สึกตัวแล้วบัดนย์เปิดเผยเราชีวิตเปิดเผยแล้วดูตัวเองละอายตัวเองคิดก็ละอายแลว้วบัดนย์แต่ก่อนไม่ละอายไม่กระทั่งความคิดอะไคิดอะไรก็ได้นะบัดนี้มีสติแล้วแม้แต่ความคิดก็ละอายโอ้ย คนหัวลูกเวลาใดที่มันคิดเนี่ยบางคนอ่ะพอมายกมือสร้างเขนว่าโอ้คิดถึงลูกสองคนพ่อหนูมีลูกสองคนสามีของหนูเกิดปุติเหตุตายไปจะมาปฏิบัติจากนี้จะเลี้ยงลูกไรหรือเนี่ยไปคิดไปเรื่องไม่ไม่ใช่มาคิดเรื่องหรือมาปฏิบัติไอ้คิดมันมีประโยชน์เลยลูกสองคนอยู่บ้านแล้วมาปฏิบัติถ้าเลิกลูกก็ต้องทําตัวให้มันดี ลักขัวลักเพียก็ต้องทำตัวให้มันดีลักพอ่อลักแม่ลักครูบาอาจารย์ลักปิดิลักเพื่อนก็ทั้งทำตัวให้มันดีไม่ใช่ลักโดยความคิดความคิดบางทีมันก็ใช่ไม่ได้คิดถึงกันจนอะไรอาวรเจ็บปวดต่ำตาล่วงน้ำตาไหลไม่มีประโยชน์ต้องทำตัวให้มันดีอย่าทำอะไรยังเป็นทุกข์เป็นคนมีความรู้สึกตัวมั่นใจมั่นคงอย่างนี้ นี่คือความรักพระพุทธเจ้าเป็นยอดรักๆขึ้นรักแบบนี้ไม่เอากายเอากิตไปทำความชั่วเด็ดขาดนี่สุดยอดเลยปฏิบัติทำอ๋อเอาลนะเนาะตอนเช้าวันนี้ก็สมควรใช้เวลาพวกเราก็กลับพร้อมกัน